คำนำผู้แปลในราวหกสิบปีก่อนการอธิบายความในหลักธรรมบางเรื่องโดยผู้สอนฝ่ายปริยัตและฝ่ายปฏิบัตในพมา่ามีความขัดแย้งกันผู้สอนปริยัดอ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งสอนปฏิบัตไม่รู้ปริยัตเหมือนการเดินทางโดยไม่มีแผนที่ทำให้เดินทางผิดขณะที่ผู้สอนปฏิบัตก็กล่าวถึงอีกฝ่ายว่าเพียงอ่านจากตารา ไม่ได้ลงมือปฏิบัติเองทำให้ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ด้วยเหตุนี้แนวทางในการเจริญวิปัสสนาจึงไม่แพร่หลายและจำกัดอยู่เพียงในบางกลุ่มที่ปฏิบัติตามแนวทางที่กลุ่มนั้นเห็นด้วยต่อมาพระโสพลมหาเถระมหาศีสยาดออัครมหาบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญปริยติธรรมและอักษ ร, รศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัญหานี้หลังจากท่านได้ผ่านการปฏิบัติมาเป็นเวลาสี่เดือนและเห็นผลด้วยตนเองจึงเขียนหนังสือวิปัสนาในเพื่อผสานความรู้ภาคปริยัตและประสบการณ์ทางปฏิบัติให้สอดคล้องเข้ากันโดยยกหลักฐานจากพระไตรปิฎกคำพีปฏิสัมพิธามักคำพีวิสุทธิมักและอัตถกถาดีกาอื่นๆมาอ้างอิง ในการอธิบายหลักปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ได้วางแนวทางในการสอนวิปัสนาภ า, าวนาไว้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายของชาวพุทธโดยเหตทุที่ตำราเล่มนี้เพียบพร้อมไปด้วยหลักการและกระบวนการจึงเปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่ตัดเย็บดีแล้ว พร้อมให้นำมาสวมใส่ได้ทันทีขณะที่แนวทางปฏิบัติของบางสานักมีเพียงหลักการแต่ขาดกระบวนการเปรียบได้กับชิ้นผ้าที่วางไว้ให้นำไปตัดเย็บเองเพื่อการสวมใส่ดังนั้นเมื่อตำราเล่มนี้ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ที่ประเทศพมา่าก็ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่ได้ศึกษาพระอภิ ธ, ธรรมมาแล้วก็จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้มีสองภาคฉบับแปลเป็นภาคแรกส่วนภาคที่สองมีผู้แปลเป็นไทยแล้วคืออาจารย์จำรูนธรรมดาตั้งชื่อหนังสือภาษาพม่าว่าวิปัสนาชุนีต่อมาได้รับการจัดพิมพ์เป็นครั้งที่สอง เนื่องในงานร้อยปีสมเด็จพระพุทธจารย์อาสภะมหาเถระแปดพฤศจิกายนพุทธศักราช2546โดยเปลี่ยนชื่อเป็นหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานส่วนฉบับแปลนี้ใช้ชื่อว่าวิปัสสนาในาตามชื่อบาลีเดิมที่ท่านผู้แต่งได้กล่าวไว้ในคำนำของคำพีอันหนึ่ง แม้ว่าสำนักกรรมฐานมหาศีและสำนักสาขาจะเป็นที่รู้จักว่าเป็นสายพองยุบก็ไม่ได้สอนให้ระลึกรู้สภาวะพองยุบเท่านั้นเพราะคนที่หายใจสั้นมักตามรู้สภาวะพองยุบได้ไม่ชัดเจนจึงสอนให้ระลึกรู้สภาวะปัจจุบันที่ปรากฏชัดในแต่ละขณะเช่นการเดินยืนนั่งนอน สภาวะสัมผัสเวทนาจิตและสภาวะธรรมการเห็นเป็นต้นการปฏิบัติตามแนวทางนี้จัดเป็นแนวทางปฏิบัติที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในพมา่าประเทศไทยและประเทศอื่นๆผู้แปลได้แปลจากหนังสือเล่มนี้ตามคำนำของพระธรรมโมลี สมศักดิ์อุปสมโภเรียนธรรมเก้าเพื่อเผยแพร่หลักการเจริญวิปัสนาภาวนาที่แสดงถึงความสอดคล้องกันของหลักปริยัติและปฏิบัติทั้งนี้เพื่อให้ชาวพุทธได้เข้าใจหลักเจริญวิปัสนาอย่างถูกต้องและเป็นการสืบทรงพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ด้วยอัฏถและพยัญชนะไปตราบนานเท่านานในการอ่านคมภีแปรฉบับนี้ มีข้อชี้แจงดังต่อไปนี้การนำเสนอข้อความที่อธิบายหลักภาษาและหลักธรรมของผู้แปลเองจะใช้รูปแบบตัวอักษรที่ต่างกันเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นได้และอยู่ภายในวงเล็บเปลี่ยม 2. ในส่วนอ้างอิงเลขเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเลขตัวหน้าเป็นเลขเล่มตัวกลางเป็นเลขข้อ ส่วนตัวสุดท้ายเป็นเลขหน้าเช่นขุสุ 25.856.502 จุดหจุดหมายถึงขุทกานิกายสุตานิบาตเล่มที่25ข้อที่856หน้าที่502ส่วนแรกเกี่ยวกับคำพีอัตถกถาและดีกา ตัวเลขหน้าเป็นเลขเล่มตัวหลังเป็นเลขหน้าเช่นอังอจุดสองจุด ห, หมายถึงอัธกถาอังคุตรนิกายเล่มสองหน้าที่291การอ้างอิงได้ใช้พระไตรปิฎกบาลีและอัธกถาดีกาฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยเป็นหลักสาม ข้อความเชิงอัตตาที่อ้างอิงไว้ถึงต้นฉบับภาษาพมา่าพบในคำพีที่ท่านนำข้อความมาแสดงเป็นสาทกโดยตรงผู้แปลได้เพิ่มเติมเชิงอัตตาอีกจานวนมากเกี่ยวกับคำพีที่เอ่ยถึงทั้งหมดโดยมุ่งหมายให้ผู้อ่านสามารถติดตามสืบค้นจากต้นฉบับภาษาบาลีได้ขออนุโมทนากุศลจิต คุณประเสริฐคุณสุวรรณนาเตชาวิปูลและครอบครัวผู้อุปถัมภ์การจัดสร้างต้นฉบับกัมพีนี้พร้อมด้วยท่านผู้บริจาครัพย์เพื่อจัดพิมพ์ไว้เป็นสมบัติในบรวรพระพุทธศาสนา <c oughs> ขอให้ทุกท่านได้บำเพ็ญบุญ ร, ร่วมกันในครั้งนี้จงมีความสุขสวัสดีแล ะ, จะเจริญ ร, รุ่งเรืองในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งปวง คำพีที่ท่านทั้งหลายได้พิมพ์เผยแพร่นี้เปรียบเสมือนประทีปที่จุดไว้ในที่มืดเหมือนการบอกทางแก่คนหลงทางในป่าใหญ่และเหมือนการงายของที่คว่ำไว้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่มวลชนชั่วการนานผู้แพรหวังว่าคำพีนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกายปัญญาที่ช่วยเอื้อให้การเจริญวิปัสสนาได้แพร่หลาย ในวิถีทางที่ถูกต้องสืบไปพระคันทสาราพิวงวัฒธาโอจังหวัดลำปาง๕ธันวาคมพุทธศักราช2548คำสดุดีเกียติคุณ 1. พระเถระชื่อว่ามหาสี ผู้ทรงปัญญาเชี่ยวชาญในปริยัติและปฏิบัติได้ประพันธ์คำพีวิปัสนาหนไว้คองคำพีนั้นเข้าใจง่ายจัดแบ่งอย่างดีตรงประเด็นชัดเจนและอำานวยความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติแก่บุคคลผู้ปรารถนาเนื้อความที่ถูกต้อง 3-5. ถึงพระเถระผู้ปรากฏสมณศักดิ์ว่าพระพรมโมลี ได้ก่อตั้งวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโครอันณนารื่นรมเพื่อเผยแพร่ปริยัติและปฏิบัติพร้อมทั้งสืบทรงพระาศาสนาได้ดำริว่าคำพีที่ส่งคุณค่านั้นแม้กอบด้วยคุณสมบัติอย่างนี้โดยแท้ก็ไม่อาจอยังประโยชน์เกื้อกูลให้สำเร็จแกสาธุชนชาวไทยชไหนหนอ แม้สาธุชนชาวไทยก็พึงเสวยประโยชน์ที่ประกอบด้วยแกนสารได้จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าแปลคำภีวิปัสนาในหกด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าข อ, อนมมสการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และครูของตนแล้วจักแปลด้วยภาษาไทยเป็นอย่างดีพระคันธสาราพิวง